ผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ผีชวนไปอยู่ด้วยไหมคะมีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งค่ะที่เป็นคุณผู้ฟังทางพระเจอผีนี่แหละบอกว่ามีประสบการณ์ผีชวนไปอยู่ด้วยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตั้งแต่สมัยที่อยู่กับแฟนคนเก่าเนี่ยนะคะก็คื อ, อแฟนของเขาเนี่ยอยู่กับคุณแม่ซึ่งก็คือแม่ยายอยู่กันแค่สองคนเพราะว่าพ่อตาเนี่ยเสียกันไปตั้งแต่แฟนอยู่ปสีได้ละมั้งก็เลยมีคนบอกว่า ผีแม่ม่ายเนี่ยมาเอาแกไปอยู่ด้วยเพราะว่าหมู่บ้านของแฟนเนี่ยจะมีเรื่องของผีแม่ม่าอยู่นะคะมันจะมีอยู่หนองน้ำอยู่หลังหมู่บ้านค่ะตามที่หมอทมบอกมานะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าประมาณ20กว่าปีที่แล้ว เจ้าของเรื่องที่ส่งเข้ามานี่บอกว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวของผมเองซึ่งผมก็ไปนอนบ้านแฟนทุกวันอยู่แล้วนอนก็นอนตรงที่พ่อตาผมนอนตายหรือว่าไหลาตายนั่นแหละนะคะคือที่เดียวกันเป๊ะเลยเรียกว่านอนทับที่กันเลยก็ว่าได้แต่ว่านอนนอนมาอยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งมีข่าวเนะะี่ะว่ามีผีแม่ไม้ที่อยู่หนองน้าหลังหมู่บ้านเนี่ยมาเข้าฝันคนในหมู่บ้านบอกว่าจะเอาคนไปอยู่ด้วย ทีนี้ก็เลยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วล่ะค่ะผ่านไปสองสวันคืนนั้นก็นอนตามปกติแต่ว่าคืนนั้นก็รู้สึกว่าฝันแปลกๆไปคือในฝันเนี่ยนั่งอยู่รั้วตรงทางสามแพร่งท้างบ้านก็นั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ตรงนั้นพักหนึ่งก็มีผู้หญิงใส่ชุดสีดำผมยาวถึงเอวนะคะอายุน่าจะประมาณสักไม่เกิน35ปีเดินเข้ามาหาแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าป่ะ ไปอยู่ด้วยกันในฝันตอนนั้นไม่รู้อะไรยังไงเนะเขายื่นมือมาแล้วก็เอ่ยปากชวนบอกว่าปะไปอยู่ด้วยกันในฝันตอนนั้นไม่รู้อะไรยังไงนี่ะก็จับมือเขาแล้วก็เดินไปด้วยกันแต่รู้สึกน ะ, ะว่ายิ่งเดินไปมันก็ยิ่งไกลออกไปเรื่อย ทีนี้จนไปถึงหน้าประตูบานหนึ่งประตูนั้นเป็นประตูไม้ใหญ่มากค่ะผู้หญิงคนนั้นก็จูงมือเดินเข้าไปประตูในขณะที่กำลังจะก้าวเท้าเข้าไปก็ได้ยินเสียงผู้ชายตะวาดมาบอกหยุดอย่าไป ซึ่งเสียงนั้นจำได้ว่าเป็นเสียงของตานะคะซึ่งเสียไปนานแล้วพอสิ้นเสียงนะคะก็สะดุ้งตื่นจากความฝันแล้วก็เล่าความฝันให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านฟังผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยจัดแจงนะคะให้คุณรัตเจ้าของเรื่องเนี่ยไปนอนซะในโบสถ์ที่วัดถึง3คืนกันเลยล่ะค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประสบพบเจอมาแบบเนื้อตัวเป็นเป็น เป็นแค่การประสบมาจากทางความฝันนะคะก็นำมาเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์แบบผีชวนไปอยู่ด้วยหรือว่าเป็นความฝันหรือว่าเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยยังไงก็อย่าลืมนำมาเล่าให้กับบีได้ฟังกันด้วยนะคะ เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อส่วนบุคคลบีก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักนำให้คุณผู้ฟังเชื่อหรือว่าหลงงมงายในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเฮี้ยนน่ากลัวสยดสยองที่ชาวบ้านเล่าความเฮี้ยน ที่โพสามต้นในเรือนจำบางขวางค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ราชทรรก็เผยบอกว่าประสบการณ์ขนหัวลุกพร้อมแจงผีกิ่งแก้วแค่เรื่องเล่าจากสามล้อปอดแหกเท่านั้นจากประเด็นการประหารชีวิตนักโทษนะคะที่ยังเป็นข้อถกเถียงในสังคมไทยนำมาสู่ความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ว่าเมื่อย้อนดูตำนานเรื่องเล่าของเรือนจำบางขวางที่มีเรื่องราวลี้ลับมากมายค่ะจนกลายเป็นเรื่องเล่าสุดหลอนที่ทำให้ใครหลายคนต้องขวัญผวาทางด้านของนายทากลแท่ลิ้มอายุ44ปีซึ่งเป็นชาวบ้านบริเวณถนนประชาราศึ่ง ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเรือนจําบางขวางเท่าไหรน่นักกันะคะก็ให้สัมภาษณ์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้แกบอกว่าเคยได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่เล่าให้ฟังถึงเรื่องตำนานความเฮี้ยนของนักโทษประหารกับต้นโพ3ต้นที่อยู่ในเรือนจําบางขวางแกบอกว่าตอนแผ่นดินวิปรโยคครั้งใหญ่เนี่ยมี3มผู้ต้องหาที่เข้ามาเกี่ยวพันคือนายชิดในบุตรแล้วก็นายเฉลียวซึ่งเป็นคดีหมิ่นเบื้องสูงนะคะถูกสารอาสารดีกาเนี่ยตัดสินโทษให ประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าขณะที่พวกเขาก็ยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวกับคดีเลยแต่ด้วยอํานาจของศาลสูงสุดทําให้ทั้งสมไม่สามารถฝืนชะตากรรมดังนั้นสามนักโทษประหารชีวิตจึงได้อ้อนวอนไปยังผู้คุมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรร์บอกว่าเมื่อทั้งสามคนสิ้นชีพแล้วขอให้ปลูกต้นโพไว้สมต้นจัดลักษณะให้เป็นสามเหลี่ยมไว้ในเรือนจําบางขวาง เมื่อทั้งสามถูกประหารด้วยการยิงเป้าตามคำพิพากษาของศาลดีกาค่ะแต่แล้วก็ไม่ได้มีการปลูกต้นโพตามคำเรียกร้องของพวกเขา ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดมากมายขึ้นในเรือนจำบางขวางทาให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัน์ตัดสินใจปลูกต้นโพสต้นในลักษณะดังกล่าวตามที่อดีตนักโทษได้ขอร้องไว้ก่อนที่จะตายจากนั้นเรื่องราวประหลาดจึงหมดไปนะคะทุกวันนี้ต้นโพทั้งสมต้นก็ยังคงยืนตระ n g g อยู่ภายในเรือนจา <c oughs> ก็เลยกลายเป็นตำนานเล่าขานปากต่อปากมาจนทุกวันนี้ค่ะ นอกจากนี้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมวัย50ปีก็ได้เปิดเผยเรื่องราวนากลัวที่เรือนจำบางขวางบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเป็นผู้คุมอยู่ที่บางขวางมีประสบการณ์ขนหัวลูกอยู่บ่อยครั้งตอนทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยที่ตึกขังเดี่ยว บอกว่าวันนั้นช่วงกลางดึกก็ต้องเข้าเวรคนเดียวนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องน้ำอัดลมเนี่ยกลิ้งเป็นทางยาวอยู่บนตึกชั้นสองเสียงกลิ้งนั้นเนี่ยดังอยู่นานมากเลยค่ะจนคิดว่านักโทษไม่ยอมนอนตามเวลาก็เลยไขยกุญแจเพื่อจะเดินขึ้นไปแล้วก็บอกให้เข้านอนแต่ว่าพอก้าวขาเข้าไปต้องตกตะลึงนะเพราะว่าฝั่งที่ขึ้นไปนั้นเนี่ย ไม่มีผู้ต้องหาเลยแม้แต่คนเดียวค่ะแล้วก็ไม่พบกระป๋องน้ำอัดลมด้วยจึงรีบเดินลงมาด้วยอาการเกรง็งแล้วก็มือที่เย็นเฉียบเพราะความกลัวส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ะอันนี้ฟังมาจากเพื่อนผู้คุมที่เล่าต่อกันมาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงพักก็เลยอยู่ที่ชั้นล่างส่วนลูกน้องนอนอยู่ในห้องที่ชั้นสองพ่อตกดึกค่ะลูกน้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้าก็เลยต้องเดินผ่านห้องขังบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความมืด ตอนนั้นสายตาที่เพ่งไปตามทางเดินก็ได้พบเห็นเงาประหลาดเป็นลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนะคะลอยตัวผ่านลูกกรงห้องถังต่อหน้าต่อตาเลยแม้จะเป็นเวลาสั้นแต่ว่าก็ทำให้ผู้คุมเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าขึ้นไปชั้นสองอีกเลยนะคะ ทั้งนี้ชาวบ้านบริเวณหน้าวัดบางแพรกใต้ก็ได้เล่าเรื่องผีกิ่งแก้วที่ต่างออกไปจากตำนานที่มีการเล่าต่อกันมานานค่ะบอกว่าตามตำนานเนี่ยมันมีอยู่ว่าภายหลังจากที่มีการประหารชีวิตนางกิ่งแก้วรอเนินสูงพูดต้องหาคดีฆาตกรรมเด็กชายวัยหกขวบ วิญญาณของเธอเองเนี่ก็ยังคงวนเวียนอยู่บริเวณเรือนจําบางขวางโดยความเฮี้ยนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของสมล้อที่ถูกผีกิ่งแก้วหลอกขณะวิ่งอยู่แถวหน้าวัดบางแพรกใต้อย่างไรก็ตามนะคะแม่ค้าวัย63ปีเขาก็เล่าบอกว่าหน้าวัดบางแพรกใต้อยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ว่าไม่เคยพบเห็นสิ่งลี้ลับที่คนต่างพูดถึงกันส่วนเรื่องผีกิ่งแก้วเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิด เนื่องจากว่าเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งได้ขึ้นสมล้อ แล้วก็ตอนที่ขึ้น3ล้อเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยก็เลยทําให้บริเวณทั่วไปของหน้าวาัดนี่เงียบแล้วก็มืดสนิททําให้คนปั่น3มล้อเกิดความกลัวค่ะก็เลยก้มลงหยิบอาวุธที่ซ่อนอยู่ใต้รถเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวให้อุ่นใจในขณะเดียวกันผู้หญิงที่ใช้บริการเห็นท่าไม่ดีคิดว่าคนปั่น3ล้อจะหยิบอาวุธขึ้นมาทําร้ายจึงตัดสินใจกระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีเมื่อคนปั่น3มลอ้อหันไปไม่พบผู้โดยสารค่ะก็ตกใจคิด ว่าเป็นผีกิ่งแก้วมาหลอกด้วยความกลัวจึงได้นําเรื่องนี้ไปเล่าให้คนรู้จักฟังมันก็เลยกลายเป็นตํานานสยองขวัญประจำย่านบางขวางนั่นเองนะคะทีนี้บีจะพาคุณรู้ฟังมาฟังเรื่องราวของผีกิ่งแก้วกันค่ะเป็นเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยเล่ากันมาปากต่อปากแล้วค่ะว่ากิ่งแก้วรอสูงเนินคือใครแล้วมีความอาถรรพ์อย่างไรมีความเฮี้ยนอย่างไร เรื่องราวของเธอเนี่ยเดี๋ยวบีจะมาเล่าในช่วงนี้กันนะคะจริงๆของชื่อของเธอคือนางกิ่งแก้วลอสูงเนินเป็นคนโคราช เข้ามาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กในกรุงเทพเธอได้รับความไว้วางใจกับครอบครัวหนึ่งโดยได้จ้างให้เป็นพี่เลี้ยงของลูกซึ่งเป็นเด็กชายอายุแค่หกขวบเท่านั้นค่ะจนกระทั่งนางกิ่งแก้วเนี่ยได้ร่วมมือกับโจรผู้ชายสองคนจับเด็กชายที่เลี้ยงอยู่ไปเรียกเงินค่าไถ่าจากพ่อกับแม่โดยตามแผนการนั้นพ่อแม่เด็กจะต้องโยนเงินลงจากรถไฟตามจุดที่กาหนด ทีนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นสิคะเมื่อเวลาส่งมอบเงินเนี่ยดันเป็นตอนกลางคืนผู้ปกครองมองเด็กไม่เห็นจังหวะโยนเงินนี้เรียกค่าไถา่มันก็เลยผิดพลาดก็เลยส่งผลให้พวกโจรนี่โกรธแค้นแล้วก็แทงเด็กจนตายในที่สุดเพื่อปิดปากค่ะแม้ว่าในขณะนั้นนางกิ่งแก้วเองก็จะพยายามห้ามพวกโจรไม่ให้ทาร้ายเด็ก แต่ว่าสุดท้ายเด็กก็เสียชีวิตแล้วก็ได้นําศพไปฝังก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนีนะคะจากการชันสูตรศพพบนะฮะว่ามีเศษดินในปอดของเด็กซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หลังจากฝังศพด้วยการกระทําของเธอนางกิ่งแก้วก็เลยถูกจับและถูกตัดสินประหารชีวิตในเวลานั้นสภาพจิตใจของเธอเองก็ย่ําแย่เหมือนกันเธอได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอในคดีบอกว่าฉันไม่ได้ทําฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าเด็กเธอขอร้อง ได้โปรดอย่าฆ่าฉันฉันไม่ได้ฆ่าเขาเธอพูดซ้ำซากแบบนี้ตลอดเวลาแต่หมดสิ้นความหวังละค่ะจนเมื่อถึงวันประหารชีวิตเธอก็ถูกส่งไปยังเวทีประหารเธอถูกประหารด้วยการยิงเป้ากระสุนนัดแรกพุ่งไปที่ลำตัวของเธอก็สร้างความประหลาดใจให้กับเพชชคาตเป็นอย่างมากเพราะว่าภาพที่เห็นคือเธออ้าปากหายใจไม่เสียชีวิตนะคะจนนัดที่สองที่สามที่สี่ เธอก็ยังหายใจและมีชีวิตอยู่และแม้เลือดจะออกมามากมายก็ตามเธอก็ถูกยิงอีก15นัดจนเสียชีวิตในที่สุดนะคะมีงานเขียนของพสดรีท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เขียนไว้นะะว่าจนเมื่อถึงวันประหารขณะที่นางกิ่งแก้วโดนคุมตัวไปยังแดนประหารนางพร่ำเพ้อตลอดเวลาบอกว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิด เมื่อเข้าสู่หลักประหารเพชฌฆาตก็เตรียมตัวลั่นไกไปที่หัวใจของนางกิ่งแก้วเสียงปืนชุดแรกดังขึ้นกระสุนพุ่งสู่ร่างของกิงแก้วจากนั้นเลือดก็สาดพร้อมกับเสียงโหยหวนของนางกิ่งแก้วบอกว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิด เพชฌฆาตกใจมากที่นางกิ่งแก้วยังไม่ตายก็เลยยิงใส่อีกชุดหนึ่งเพื่อให้นางกิ่งแก้วพ้นทุกข์โดยเร็วแต่ปรากฏว่านางกิ่งแก้วก็ยังไม่หมดลมหายใจแล้วก็ยังตะโกนโหยหวนด้วยความทรมานบอกว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดทางพัสดีแล้วก็หมอประจําเรือนก็เลยรีบเข้าไปตรวจที่ร่างของนางกิ่งแก้วอีกครั้งค่ะผลปรากฏว่านางมีหัวใจอยู่ด้านขวาภัสดีก็เลยต้องวัดเป้าอีกครั้งและทําการประหารใหม่ และคราวนี้นะคะนางกิ่งแก้วก็ได้พ้นทุกข์แล้วสัทีพร้อมกับคำพูดสุดท้ายว่าฉันไม่ผิดมีเรื่องเล่านะคะหลังจากที่นำศพของเธอมาไว้ในห้องเก็บศพก็ยังคงมีคนได้ยินเสียงฉันไม่ผิด ดังออกมาจากในห้องซ้ำๆตลอดเวลาและทุกวันนี้ก็ยังมีผู้พบเห็นเธอเป็นผีวนเวียนปรากฏให้เห็นอยู่ที่เรือนจำบางขวางค่ะเรื่องราวของเธอก็เลยเป็นที่พูดถึงปากต่อปากเป็นอย่างมากบางค น, นถึงกับมองว่าหรือจริงๆแล้วเธออาจจะเป็นแพะไม่ได้ทำความผิดจริง ก็เลยวนเวียนรอที่จะเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างให้สังคมได้รับรู้นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผีที่เป็นที่กล่าวขานกันมาผีของนางกิ่งแก้วรอสูงเนินนะคะนักโทษประหาร15ครั้งแต่ไม่ตายจนกลายเป็นวิญญาณเฝ้าเรือนจำค่ะ เรื่องสุดท้ายประจําวันนี้ค่ะบีขออนุญาตนําเอาเรื่องราวที่เคยออกอากาศทางเดอะช็อกนะคะเอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเผื่อว่าหลายๆท่านไปหาเรื่องนี้ใน The ะช็ ck อาจจะไม่เจอแล้วบีก็เลยขออนุญาตนํามาเล่าในพระเจอผีให้ฟังกันขอขอบพระคุณรายการเดอะช็อกด้วยค่ะเป็นเรื่องของความสยดสยองข้างบ้านของป้าใบ เรื่องเล่าผีเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากป้าแมวผู้ซึ่งมีเรื่องราวของการไปพบผีแล้วก็วิญญาณมาแล้วอย่างมากมายค่ะซึ่งเรื่องสยองข้างบ้านนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ป้าใบาเนี่ยแกมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวแบบรถพ่วงข้างแล้วป้าใบาแกก็จะออกขายในเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นเพราะว่าในเวลากลางคืนป้าแกเนี่ยก็จะมีลูกค้าประจํารออยู่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นที่หน้าร้านเซเว่นหรือว่าตามงานศพเพราะว่าในเวลากลางคืนตามงานศพเนี่ยนะคะมันจะมีคนในงานเนี่ยต่างก็พากันเล่นไฮโลดื่มสุราซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาทําให้ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆขายดีแบบเทน้ําเทท่า เรื่องของเรื่องคือบ้านของป้าใบาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันกันกบบ้านของป้าแมวแล้วก็ยังติดกับรางรถไฟอีกด้วยโดยที่ในทุกๆวันนี้นะคะป้าใบาจะต้องขับรถซาเลงพ่วงข้างเพื่อที่จะต้องไปข้ามรางรถไฟแล้วก็จะกลับมาบ้านได้ก็เป็นอยู่แบบนี้ทุกวันร่ําไปแต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะป้าใบาแกขับซาเลงพ่วงข้างออกไปขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ช่วงเย็นวันนั้นในวัดและแวกบ้านนี่ก็มีงานศพ แกก็เลยแวะขายของที่งานพร้อมกับถือโอกาสแวะดื่มเหล้า ด, ดื่มเบียร์กับคนในงานอีก 2- อสาแก้วจนประมาณตีสอเห็นจะได้นะคะแกก็ได้เวลาที่จะกลับเข้าบ้านแล้วค่ะปรากฏว่าพอมาถึงเนินข้ามรางรถไฟก่อนจะถึงบ้านของแกอยู่ๆค่ะฝาก๋วยเตี๋ยวของแกเป็นฝาหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็หลุดแล้วก็ปลิวแบบเด้งออกมาป้าใบตกใจมากเพราะว่าฝาหม้อก๋วยเตี๋ยวโดยปกติแล้วมันจะปิดแน่นมากเลยนะ เวลาที่เปิดออกเนี่ยต้องใช้แรงดึงพอสมควรมันถึงจะเปิดฝาออกมาได้ซึ่งลมพัดปลิวเนี่ยมันไม่น่าจะทำให้ฝาหม้อหลุดออกมาได้ขนาดนั้นแต่ว่าป้าแกก็ไม่ได้คิดอะไรล้วค่ะก็เลยลงจากรถแล้วก็เดินไปตามเก็บฝาหม้อที่ปลิวออกไปแต่ปรากฏนะคะว่าตอนที่ลงจากรถนั้นเนี่ยดันดับขึ้นมาดือด้อเลยแล้วไฟริมทางที่ข้างถนนก็ดับดับติดๆกระพริบอยู่อย่างนั้นตลอดช่วงเวลา แล้วก็ทันใดนั้นป้าใบาก็คิดขึ้นมาได้ทันทีว่าก่อนหน้านี้3วันมันมีอุบัติเหตรุรถไฟชนกันกับรถกระบะขนคนงานอยู่ตรงบริเวณนี้พอดีซึ่งอุบัติเหตนุนี้ทำให้คนงานนั้นเสียชีวิต5ดรายค่ะ และที่น่าตกใจคือสภาพศพที่เป็นผู้ชาย4ี่คนเนี่ยมีลักษณะคือคดงอผิดรูปไปหมดเลยแต่ที่น่าสะเทือนใจอีกก็คือศพที่หนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงสภาพศพของเธอถูกรถไฟขยี้ร่างขาดออกสองท่อนเมื่อประใบคิดเรื่องนี้ขึ้นมาในหัวค่ะแกขนลุกขึ้นมาทันทีเลยก็เลยรีบคลา ม, มือหาฝ่าหม้อที่ไปหล่นอยู่ตามโพรงหญ้าข้างทางให้เร็วที่สุดเนี่ยคะ จนกระทั่งแกนี่เจอฝาหมอ้อแกก็รีบเดินกลับมาที่รถแล้วก็สตาร์ทรถทันทีคุณพระคุณเจ้าช่วยรถซาลิงพ่วงข้างคู่ใจของแกมันดือ้อสตาร์ทไม่ติดป้าใบเองก็พยายามที่จะสตาร์ทรถให้ติดให้ได้แต่ก็ไม่เป็นผลเนี่ยค่ะรถแกดับแน่นิ่งสนิทค้างอยู่นั่นแหละนานพอสมควรสิ่งที่แกไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะตรงพุ่มไม้ข้างทางป้าใบได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาแกก็มองไปตามเสียง ปรากฏว่ามีร่างของผู้ชายสี่คนกำลังเดินหาของอยู่ริมโพรงหญ้าในสภาพที่ร่างกายไม่ปกติเพราะว่ละาลักษณะการทรงตัวของแต่ละคนนั้นเนี่ยคือเดินกันแบบโยกเยกเอียงไปเอียงมาป้าแกรู้ทันทีแล้วค่ะว่าเนี่ยไม่ใช่คนอย่างแน่นอนต้องเป็นวิญญาณของคนงานที่เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุไปเมื่อ3วันที่แล้วแต่ว่าแกก็อดคิดไม่ได้นี่ะว่าวิญญาณพวกนี้มาเดินดุ่มดุ่มโยกเยกโยกเยกไปมาเพื่อหาอะไร และแล้วแกก็ได้คำตอบสงสัยว่าผีไตห่วงพวกนี้คงจะมาหาซองเงินที่ตกไว้ตอนรถชนเพราะว่าวันที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ค่าแร ง, งคนงานพวกนี้ออกพอดีแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีซองเงินค่าแรงของตนแต่ขากลับจากการทำงานยังไม่ทันได้เอาเงินให้ลูกให้เมียเลยต้องมามีเคราะห์ร้ายประสบอุบัติเหตุ รถกระบะที่นั่งชนเข้ากับรถไฟซะก่อนด้วยเหตุนี้นี่เองเองนะะี่ยค่ะก็เลยทำให้หลังจากที่พากันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยวิญญาณจึงต้องเดินวนเวียนหาของที่ตัวเองต้องการเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่พอทุกอย่างเป็นคำตอบให้กับป้าใบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นป้าใบก็ไม่รอช้าละค่ะสตาร์ทรถด้วยแรงฮึดสุดท้ายเพราะหวังว่ารถจะติดให้แล้วแกก็ได้ออกไปพ้นพ้นจากสถานที่แห่งนั้นสักทีหนึ่ง ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าดวงคนมันจะเจอเนาะหนียังไงก็หนีไม่พ้นเพราะว่าช่วงที่แกสตาร์ตรถนั้นนะคะแกสตาร์ทไม่ติดเสียงมันก็เลยดังแกลก้แกแล้วอยู่ๆค่ะวิญญาณของคนงานผู้ชายสี่คนก็หันกลับมามองในทันทีวิญญาณสี่คนนี้เดินกระเพกโยกเยกดังสวบสวดมาทางแกเท่านั้นแหละค่ะป้าแกคุมสติไม่อยู่ก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าอยากกินก็จะทําให้กินอย่ามาหลอกป้าเลยป้ากลัวจะตายอยู่แล้ว แล้วป้าใบาแกก็รีบลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่ถ้วยใส่ลูกชิ้นพร้อมกับตักน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็วางไว้บนรถของแกอย่างไวนีคะจากนั้นแกก็นั่งลงตรงบริเวณล้อรถด้านหน้าพร้อมกับพนมมือยกขึ้นท่วมหัวแล้วก็พูดว่าพากันกินเลยแล้วอย่ามาหลอกกันอีกเลยนะป้ากลัวคุณผู้ฟังคะเอาจริงๆนะคะป้าใบเนี่ยแกเป็นคนค่อนข้างกล้าก ล, ก ล, ก, ล, ก, ลกลัวๆนะสถานที่นี้เนี่ยใจนึงแกก็กลัวใจนึงแกก็อยากรู้อยากเห็น ซึ่งมันเป็นช่วงจังหวะที่ป้าใบแกค่อยๆเอียงตัวดูแกก็เห็นวิญญาณของผู้ชายสี่คนนะกำลังยืนดมกว๋วยเตี๋ยวที่แกทําแล้วก็ตั้งเอาไว้ให้อยู่แล้วแกก็เลยเข้าใจแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วผีพวกนี้หรือว่าวิญญาณพวกนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะกินเหมือนคนเราได้เขาทําได้เพียงสูดดมกลิ่นของอาหารที่เราทาตั้งไว้ก็แค่นั้นแต่แล้วสิ่งที่ทาให้ป้าแกแทบช็อกตายเลยก็คือ ตอนที่แกแอบดูวิญญาณ4ี่ตนนั้นอยู่เนี่ยมันก็มีเสียงดังครืดครืดมาจากทางด้านข้างแกป้าใบก็เลยหันหน้าไปดูค่ะปรากฏว่าเสียงที่มันดังครืดครืดเนี่ยคือมันเป็นเสียงของคนที่เอานิ้วจิ้มลงดินแล้วค่อยๆลากตัวเองมาตามถนนเพื่อจะได้มาถึงตรงรถซาเล้งขายก๋วยเตี๋ยวคนมันจะช็อกอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นลมอยู่แล้วนี่ความรู้สึกเป็นยังไงป้าใบแกเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะคะ เพราะว่าสิ่งที่คลานดังคลืดคลืดผ่านหน้าไปนั้นเนี่ยช่วงท่อนบนเนี่ยมันเป็นผู้หญิงที่เกิดอุบัติเหตุนั้นรถไฟขยี้ร่างเธอจนขาดออกสองท่อนร่างของเขาก็เลยเหลือเพียงแค่ท่อนบนที่ยังพอคลานได้ก็คลานผ่านหน้าแกไปแล้วค่ะเพื่อที่จะไปสูดดมกว๋วยเตี๋ยวที่ป้าใบได้ทําเอาไว้ให้กับเพื่อนๆของเธอป้าใบสุดตัวลงนั่งกับพื้นยกมือพนมขึ้นเหนือหัวพูดจาไม่ได้สับ แต่แกหวังเพียงอย่างเดียวนะคะว่าต้องการออกจากตรงนี้ไปให้ได้แกก็ทั้งพูดไปทั้งร้องไห้ไปบอกอย่าหลอกกันเลยหิวข้าวป้าก็ทําให้กินแล้วไงอย่ามาหลอกกันแบบนี้ป้ากลัวพรุ่งนี้ป้าไม่รู้ด้วยซ้ําว่าชีวิตของป้าจะเป็นยังไงปล่อยป้าไปเถอะและเมื่อป้าใบได้ลืมตาขึ้นมาดูนะคะปรากฏว่าวิญญาณทั้งห้าตนเนี่ยได้มายืนล้อมตัวแกไว้นั่นก็ยิ่งทําให้หัวใจของแกแทบหยุดเต้น แกยิ่งพนมมือและพูดแบบคนบ้าคนบอเลยบอกว่าอย่าหลอกหลอนกันเลยกลัวแล้วแล้วอยู่ๆวิญญาณผู้ชายที่มีรูปร่างสูงที่สุดใหญ่ที่สุดในนั้นได้ชี้หน้าของแกอย่างช้าๆและก็ชี้ไปที่โพรงหญ้าข้างๆวิญญาณตนนี้ได้ทำอย่างนั้นซ้าๆวนๆอยู่เกือบจะนาทีแล้วทั้งห้าตนก็ค่อยๆจางหายไปและเมื่อป้าใบเห็นแล้วนะฮะว่าไม่มีผีมาหลอกอยู่ตรงนั้น แต่กว่าที่ป้าใบแกเนี่ยจะมีสตินะคะลุกขึ้นมาแกก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรจนแกมีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมาแกก็รีบกระโดดขึ้นมาบนเบาะรถแล้วนั่งอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าแกไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะขับรถซาเล้งกลับบ้านไปให้ไหวนะคะป้าแกก็เลยตัดสินใจที่จะจูงรถซาเล้งขายกว๋วยเตี๋ยวคู่ใจของแก น, นั้นเนี่ยทั้งเข็นทั้งวิ่งทั้งเดินกลับบ้านไป จนถึงบ้านลูกสาวแกก็ยังแซวแกบอกว่าไปดื่มที่ไหนมาจนเมาขับรถกลับมาบ้านไม่ได้เลยเหรอถึงกับต้องจูงมันกลับมาบ้านแกก็ไม่มีแรงที่จะตอบหรือว่าจะพูดอะไรแหละนะคะพอเข้าบ้านเสร็จแกก็อาบน้ำนอนจนเหตุการณ์ผ่านไป3 4ี่วันแกก็หวนกลับมาคิดว่าเอ๊ะที่ผีมันหลอกแกมันหลอกเพราะอะไร จนแกนึกได้ตอนสุดท้ายวิญญาณผู้ชายร่างสูงได้ชี้นิ้วบอกอะไรแกที่โพรงหญ้าแกก็เลยไปหาดูปรากฏข่าวว่าแกไปเจอเศษเหล็กที่กระจายกระจายอยู่เนี่ยนะคะในนั้นเนี่ยมันเหมือนมีซีเรียลนัมเบอร์ของรถแกก็เลยกลับมาเล่าให้ที่บ้านฟังไอเศษเหล็กนี้มันมีภาษาอังกฤษอยู่ 4-5 หตัวแต่กูอ่านไม่ออกกูเห็นแค่แต่เลข 3-4 ตัวเท่านั้น ป้าใบแกบอกสรุปงวดนั้นป้าใบแกถูกหวยได้เงินไปราวห้า0 0ื่บาทนะซึ่งหลังจากนั้นนะคะแกก็ยังคงทําบุญทําทานให้กับวิญญาณพวกนี้อยู่ตลอดแล้วแกก็ยังคงขับรถซาเล้งพ่วงข้างขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอาชีพอะไรอย่างอื่นนะคะและยิ่งไปกว่านั้นป้าใบต้องขับรถซาเล้งพ่วงข้างขายก๋วยเตี๋ยวผ่านทางรถไฟนี้เป็นประจําทุกวันเพราะว่าแกไม่มีเส้นทางไหนที่จะสามารถไปขายก๋วยเตี๋ยวได้ทําให้ผ่านทางรถไฟมรณะแห่งนี้ หลังจากเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนั้นป้าแมวก็เล่าเพิ่มเติมบอกว่ายังไม่พ้น7วันเลย คือเวันหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะะชาวบ้านในละแวะกนั้นในต่างก็พากันเจอเรื่องราวหลนหลอนของ5ศพคนงานนี้เพราะว่าพวกคนงานที่เสียชีวิตไปนานนี่เขาต้องการมาตามหาซองเงินที่มันหล่นหลังจากเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุใหม่ๆเนี่ยช่วงที่กู้ภัยกาลังชุลมุนในการเข้าช่วยเหลือนั้นมันก็มีพวกชาวบ้านหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีได้เข้ามาหาของมีค่าแล้วก็น่าจะมาเจอซองเงินค่าแรงนะคะก็เลยคิดร้ายขโมยเอา ทำให้วิญญาณที่ยังมีห่วงเรื่องเงินเรื่องทอง ก็ยังไม่ได้เอากลับไปให้ครอบครัวนั้นเนี่ยต้องมาวนเวียนก้มหาซองเงินค่าแรงของตัวเองอยู่แบบนั้นจนกว่าร่างของตนเองจะมีญาติทำพิธีศพให้จนเสร็จสิน้นวิญญาณเหล่านี้จึงไปอย่างหมดหวังหมดห่วงนะคะนี่ก็เลยเป็นประสบการณ์หลอนเรื่องเล่าผีที่ป้าแมวได้ฟังมาจากปากของป้าใบเนี่ยวังว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะจะได้รับความสนุกความบันเทิงไปบ้างไม่มากก็น้อยแหละนะคะขอบคุณไทยโกลด์รีดิโอด้วยค่ะกับเรื่องสยองข้างบ้านของป้าแมว เรื่องรางมรณะนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่องพระเจอผีบนยูทู e อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีด้วยพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ